Book 2 92อิงอนุประโยครองลงมาที่สองตต์ทวดิฉันโมโหที่คุณนอนกลน Ek is vererg oordat jy snork. d i ยสโนร์กดิฉันโมโหที่คุณดื่มเบียร์มากเอกซ์ฟอร์เอร์กว่าร์ด r ตยัยซูฟิลปิร์ดร h งก์ดิฉันโมโหที่คุณมาช้า r อ a t jy อ o dat so laat kom. d i ร์ด a ตยัยส w ลลอตกุมดิฉันคิดว่าเขาต้องการหมอ ฉันคิดว่าเขาไม่สบาย s <S ฉันคิดว่าตอนนี้เขาหลับอยู่เราหวังว่าเขาจะแต่งงานกับลูกสาวของเรา On ต่ายเเราหวังว่าเขามีเงินมาก on เราทเราหวังว่าเขาเป็นเศรษฐีเงินล้าน on หภต่อัมม่าเอดิฉันได้ข่าวว่า ภรรยาของคุณประสบอุบัติเหตุอาเคตกล่าวว่าดัตเจุ้ดิฉันได้ข่าวว่าเธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลดิฉันได้ข่าวว่ารถของคุณพังทั้งคันอาเ ดิฉันดีใจที่คุณมาแอกคือปล่อยดัตยายเกิดิฉันดีใจที่คุณสนใจแอ i คือปล่อ j ดัตยายเปล่งดิฉันดีใจที่คุณจะซื้อบ้านแอกคือปล่อ j ดัตยาย i ีไฮส์วอล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 Ek is bang dat ek geen geld by my het nie.